ก่อนเกิดเป็นดังตรินตอนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหลายคนชอบคิดว่าผมเป็นคนมีบุญ จึงเข้าทางสว่างตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ผมว่าตัวเองบุญน้อยค่าที่มาเกิดและโตในบ้านของสามีภรรยาผู้มีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนามีโอกาสได้ใส่บาตรครั้งแรกตั้งแต่หนึ่งขวบอยู่ในโรงเรียนที่ช่วยจัดพิธีประกาศตนเป็นชาวพุทธตั้งแต่ก่อน10บขวบเรียกว่าเกิดมาเพื่อเป็นชาวพุทธเต็มขั้นเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าประทับยืนอยู่ตรงหน้าทั้งในบ้านและที่โรงเรียน แต่กลับอาศัยเวลาตั้ง17ปีกว่าจะรู้ว่าพระองค์เป็นใครและจะเข้าเฝ้าพระองค์ได้อย่างไรผมเป็นชาวพุทธประเภทอยากพบพระพุทธเจ้าใจแทบขาดจำได้ดีถึงความทุรนทุรายเฝ้าคิดคำหนึ่งว่าทำไมเราบุญน้อยทำไมเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าต้องแลกด้วยอะไร ถึงจะมีสิทธิ์เข้าเฝ้าฟังธรรมต่อเบื้องพระพักให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตว่างๆผมก็นั่งเศร้าซึมไปกับการตระหนักว่าอย่างไรชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่มีโอกาสพบองค์จริงแห่งพระศาสดาแม้แต่ครั้งเดียวผมอิจฉาคนสมัยพุทธกาลที่มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แต่ผมก็เป็นพวกปลอบตัวเองเป็นครับพยายามคิดว่าตนโชคดีกว่าคนในสมัยพุทธกาลข้อหนึ่งคือ ไม่ต้องเดินทางข้ามบ้านข้ามเมืองข้ามห้วยข้ามเขาแค่นั่งอยู่ในห้องแอร์ที่บ้านหรือสถานศึกษาเดินไปเลือกหยิบคำพีพระไตรปิฎกจากชั้นวางก็รับรู้ธรรมะเดียวกับเหล่าท่านผู้มีวาสนาในยุคโน้นได้แล้วพระไตรปิฎกฉบับคัดสันของท่านอาจารย์ธรรมรักษาตลอดจนพระไตรปิฎกฉบับย่อความทั้งหมดของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพ จึงกลายเป็นประตูแห่งการเวลาพาผมกลับไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ทุกวันทุกเวลาตามปรารถนาตั้งแต่ช่วงวัธยม5ที่เซนจอนจนกระทั่งขึ้นปีหนึ่งที่เอแบกฮองสมุดคือที่ที่ผมเข้าไปกรอบโกยธรรมะเข้าสู่หัวใจด้วยความชุ่มชื่นทุกวันไม่ช่วงเที่ยงก็ช่วงเย็นใช่ครับ ทั้งสองสถาบันศึกษาเป็นคริสที่ใจกว้างพอจะมีหนังสือของพุทธอยู่ในเขตรั้วและผมก็ทราบซึ้งจนถึงทุกวันนี้ในบุญคุณที่ทั้งสองสถาบันเอื้อเฟื้อสถานที่ให้จิตวิญญาณของผมจเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นพุทธเต็มตัวแต่ละครั้งที่อ่านพระไตรปิฎกจิตของผมจะอ่อนโยนลงคล้ายถูกราดกระหม่อมด้วยน้าอมฤตช่ำชื่นในแบบที่รู้สึกแปลกแยกจากภาวะรอบด้านอย่างประหลาด เหมือนเห็นตนเองกลายเป็นใครอีกคนหนึ่งกำลังได้เอกสิทธิ์พิเศษรับไอเย็นจากใต้ร่มไม้ใหญ่ภายในอาณาเขตเดียวกับที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งจินตภาพเต็มไปด้วยความสดกระจ่างตลอดทั่วกายใจตื่นตัวพร้อมรับรู้ทุกถ้อยกระทงความตามพระผู้อยู่เหนือเสียนกล้าวตรัสสอนทุกคำไม่ตกหล่น ผมเลือกอ่านหัวข้อที่สนใจก่อนจึงศึกษาพระไตรปิฎกแบบพลิกไปพลิกมาไม่เรียงลำดับถ้าใครถามว่ามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นระหว่างการอ่านพระไตรปิฎกได้ไหมผมตอบทันทีเลยว่ามีได้เพราะเมื่อเกิดคำถามใดขึ้นในใจผมมักพลิกไปเจอคำตอบชนิดทำให้ตะลึงจังงานครั้งแล้วครั้งเล่าจากที่นึกว่าบังเอิญกลายเป็นความเคยชิน และปักใจเชื่อว่าพระไตรปิฎกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพในการให้คำตอบแก่ผู้ตั้งใจศึกษาจริงๆในแง่ของการเจริญสติสิ่งที่ผมจำได้ติดใจและเอาไปใช้ปฏิบัติจริงในช่วงแรกมีอยู่3ข้อคือ 1. ลมหายใจเข้าออกกำลังเป็นอย่างไรให้รู้ตามนั้น สองอิริยาบถกำลังเป็นอย่างไรให้รู้ตามนั้นสามความรู้สึกทางกายกำลังสบายหรืออึดอัดให้รู้ตามนั้นรู้ตามนั้นเพื่อให้ได้ข้อสรุปอันเป็นที่สุดว่ากายใจไม่เที่ยงไม่อาจทนตั้งอยู่เพราะไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเหมือนพยับแดดที่ดูหลอกตาว่ามีแต่ไม่เคยมีอยู่อย่างแท้จริงเลย การเริ่มต้นเจริญสติของผมเป็นไปอย่างไม่แน่ใจนักว่าดูอย่างไรแล้วถูกเห็นอย่างไรเรียกว่าเกิดยานอย่างรู้และด้วยความลังเลสงสัยนั่นเองจึงทำให้ไม่ภาคเพียรเต็มกำลังบางครั้งหายใจเข้าออกและบอกตัวเองว่านี่เรากำลังเจริญสติอยู่เราจะรู้ลมหายใจครั้งนี้และครั้งต่อๆไปแต่บางครั้งก็ถามตัวเองว่านี่เรากาลังทาอะไรกันแน่ ช่างไม่เฉียดกับความรู้สึกว่ามีสิทธิ์ถึงมักถึงผลกับเขาเลยผมปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยก็พอรู้เกณฑ์การตัดสินอยู่บ้างนั่นคือถ้าเห็นถูกเห็นตรงต้องยิ่งเห็นยิ่งหายโง่แต่อย่าไปด่วนคิดว่าหายโง่แล้วหายโง่เลยเพราะถ้าลืมดูเมื่อไหร่ก็กลับมาโง่ใหม่เมื่อนั้น และความจริงบนเส้นทางเจริญสติช่วงแรกก็คือคุณจะรู้สึกโง่อยู่เกือบตลอด24ชั่วโมงต่อวันจะฉลาดขึ้นบ้างก็เพียงไม่กี่นาทีนี่แหละช่วงของการหัดคลานออกจากท่าแบะเบาะผมรู้สึกอบอุ่นมั่นคงยามทอดตาอ่านพระไตรปิฎกเพราะเหมือนมีพ่อบังเกิดกล้าวเป็นหลักประกรันอยู่ทั้งคนแต่กลับปวกเปียกป้อแป้ยามห่างพระไตรปิฎก เพราะเหมือนขาดพี่เลี้ยงคอยช่วยพยุงแบบตัวต่อตั ว, ตวการไม่มีครูผู้ยืนยันว่าเรากำลังเจริญสติอยู่อย่างถูกต้องหรือผิดพลาดคงเปรียบได้กับการฝึกเวี่ยงหมัดแบบมวยวัดนั่นเองคุณเวี่ยงอย่างไรก็ได้นึกว่าถูกอย่างไรก็ได้แต่ลึกๆจะคอยคิดว่าถ้าให้ผู้เป็นปรามาจาร์ตัดสินคุณจะสอบผ่านหรือสอบตกกันแน่ อะไรบางอย่างในส่วนลึกปลุกปลอบให้เชื่อมั่นว่าวันหนึ่งผมจะทําได้วันหนึ่งผมจะต้องประสบความสําเร็จก็พระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งท่านบอกอยู่ว่าถ้าใครจเจริญสติตามที่ท่านชี้ทางอย่างช้าเจ็ดปีก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นแน่และทําไมจะต้องกลัวความไม่สําเร็จเพียงเพราะคิดเองเออเองแบบคนไม่รู้จริงด้วยล่ะ มองย้อนกลับไปแล้วผมก็เห็นความสำคัญของศรัทธาคุณไม่มีทางใจแข็งหยอดกระปุกวันแลเรียนถ้าไม่เชื่อว่าวันหนึ่งมันจะเต็มนั่นก็คงเป็นทํานองเดียวกับที่ผมคงไม่มีแก่ใ จ, จเจริญสติวัลนิทวัลนอยมาอย่างต่อเนื่องถ้าไม่เชื่อว่าวันหนึ่งจะมีสิทธิ์บรรลุมรรคผล คุณค่าของการมีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนี้แหละครับจะเข้าเฝ้าองค์จริงหรือตัวแทนพระองค์เช่นพระไตรปิฎกก็ตามให้ถามตัวเองเถอะว่าคุณได้ศรัทธาติดมือกลับมาแค่ไหนคุณได้ความเชื่อมั่นหรือยังว่าตัวเองมีสิทธิ์บรรลุธรรมด้วยกายนี้ใจนี้ถ้าได้ความเชื่อมั่นมาแล้วก็บอกตัวเองเถอะครับว่า คุณไม่ได้ต่ำต้อยด้อยวาสนากว่าผู้คนในยุคพุทธกาลที่มีโอกาสพบพระพักรจริงแห่งองค์ศสดาเลยเพราะแม้พระองค์จริงของท่านก็ทำหน้าที่เพียงชี้ทางนิพพานหรืออย่างมากก็ก่อแรงบันดาลใจให้คุณอยากเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆบนทางสู่นิพพานเท่านั้นบนทุกเส้นทางการเดินเรื่อยๆนั่นแหละคือความก้าวหน้า ความก้าวหน้านั่นแหละที่พาความสำเร็จให้ขยับเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นทุกทีบทความโดยดังตรินจากนิตยสาราธรรมะใกล้ตัวฉบับที่69เสียงอ่านโดยโจโช